ในข้อหนึ่ง้อยหกสิบ็ดน้าสิบสี่สิบี่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรแตถาคตประกอบด้วยเวสารชัยธรรมธรรมที่ทำให้พระองค์นั้นถึงความแ ก, กล้ากล้าเวสารชัยธรรมใดนั่นแหละที่พระองค์อาศัยแล้วจึงปฏิยานฐานะผู้เป็นโจกพระองค์นี้อาศัยเวสารชายานหรือเวสารชัชธรรมสี่นี่แหละทำให้พระองค์ปฏิยานฐานะแห่งผู้นา พระองค์บรรลือศีหะนาในบริษัททั้งแปดบริษัทแปดขวามือเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปบรรลือศีหะนาะบรรลืออย่างไม่หวั่นไหวและขั้นครามประกาศพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไปทั้งโดยปฏิเวทยานและเทศนายานเวสารัชธรรมของตถาคตสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นไนะข้อแรกสัมมาสัมพุทธปฏิ ญ, ญาน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 ปัญญาที่ประกอบกับทรงมนั์อยู่ด้วยความดีใจอยู่ด้วยความปราบปลื้มใจไม่ใช่อยู่ด้วยความขนพองสยองกล้าอยู่แบบคนที่คือคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยจะเข้าใจคำนี้คำว่าอยู่แบบมั่นคงสงา่าพาเผยไม่ต้องขึ้นขึ้นลงล ง, ลงคือเป็นผู้ที่เข้าถึงอำนาจที่สูงสุดแล้วนะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สูงสุดแล้วเนี่ย พ้นถามว่ามีอะไรต้องขั้นครามงไหมมีอะไรที่จะต้องหวั่นไหวไหมมีอะไรที่จะต้องลังเลใจบ้างไหมไม่มีเพราะไม่มีใครโจกได้เลยแม้แต่คนเดียวโจกถูกต้องนะเวนสุนาขาาัขขัดต่าิชวีเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าเป็นโมฆะบุรุษเปล่าเป็นคนมักโกรธขี้โกรธแล้วก็ผูกเวนเนี่ยนะเอาเอาคนประเภทนี้เป็นประมาณไม่ได้แต่บัณฑิต ท, ทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระเท้าสกกะเท้ามหาพรหมเป็นต้น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 ที่พูดอันนะั้นอาจจะมีแต่ว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมณพราหมณ์ที่เป็นวินยูชนเนี่ยนนะทั้งที่เป็นสมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกมาทักทวงไม่ได้เลยเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะทักทวงได้อย่างนี้เนี่ยนะเก่งขนาดนี้ถามว่าจะอยู่อย่างน้อยเลยใช่ไหมแบบนกกระเรียนแก่ที่เรียกว่าหมดปลาหมดน้ำหมดละจองไปไหนไม่ได้องนอนไม่บอกไม่ใช่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 เพราะพระองค์สิ้นอาสะวะแล้วอย่างแท้จริงอาสะวะเครื่องหมักหมมคือกามพระองค์ถ่ายถอนได้แล้วจริงเครื่องหมักห ม, มมคื อ, อนะพบเครื่องหมักห ม, มมคือทิฏฐิและอวิชชาเครื่องหมักดองเหล่านั้นพระองค์ถอนได้หมดสิ้นอย่างสิ้นเชิงมันจึงไม่มีผู้ใดที่จักทักท้วงโดยธรรมว่ากล่าวตัวเองขีนาสะวะขีนาศพเนี่ยนะ แปลว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วเข้าถึงภาวะของผู้สิ้นอาสวะคือเข้าถึงอรหัตผลบอกยอย่ังเห็นนะยังมีกิจที่ยังต้องทําอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครโจดทวงแบบนี้ไม่เห็นเหตุแบบนี้เนี่ยนะเราก็ถึงความเป็นผู้ปลอดภัยไร้ภัยไม่ต้องหวาดภาวะไม่ต้องคลั่นคร้ามเป็นผู้ที่ไม่มีภัยนะไม่หวั่นเกรงไม่หวัดสะดุ้งถึงความเป็นผู้ก้กล้า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 ไม่เปิดเผยอาบัติที่มีอยู่สัมปชานมุสาวาททุกกฎย่อมมีแก่เธอท่านทั้งหลายสัมปชานมุสาวาททุกกฎแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมทำอันตรายก็แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นอันตรายต่อฌานอภิญญามรรคผลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นอพระองค์สอนว่าอะไรเป็นอันตรายสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายจริงขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลจริง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 ท่านแสดงธรรมะเพื่อประโยชน์อย่างใด น, นะเพื่อประโยชน์อย่างใดคือเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกขโดยชอบแก่คนผู้ทําตามคือพระองค์แสดงแสดงอะไรแสดงโพธิปัจจยธรรมสามสิบเจ็ดประการเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานไม่มีใครมาโจดทวงได้เลยว่าผู้ปฏิบัติโพธิปัจจยธรรมสามสิบเจ็ประการบริบูรณ์แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ทําที่สุดแห่งวัฏฏุไม่ได้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 ตถาคตประกอบด้วยเวสารัชธรรมเหล่าใดซึ่งปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจรบลือศีหนาทในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปเวสารัชธรรมของตถาคตสี่ประการเหล่านี้แหลดูก่อนสารีบุตรผู้ใดเลพ่พึงว่าซึ่งเราผู้รู้อย่าอยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้กว่ารู้ด้วยเวสารัชญาณเนี่ยนะเห็นด้วยเวสารัชญาณเหล่านี้อย่างนี้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 กลายเป็นท่องแถวของคนตาบอดบอดจูงบอดบอดเป็นผู้นําเรียกว่าคนบอดด้วยกันมันเข้าใจกันดีเท่าไ น, นเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าข้างคนบอดนะถ้าเข้าข้างคนบอดเมื่อไร่เราก็บอดสนิทแน่นอนตั้งปฏิญญาตั้งความปราถนาัขออย่าได้บอดเช่นนั้นเลยเนี่ยนะะมั้นก็มี ม, มีมีอีกหลายกลุ่มเนี่ยนะพยายามออกมาปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามันถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็แปลว่าปฏิเสธ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 สวนานุตริยะแยกอะไรควรฟังไม่ควรฟั ง, ไ ม, ฟงไม่เป็นถามว่าจะฟังอะไรนะก็จะฟังแต่สิ่งที่มีโทษเนี่ยนะถามว่าน่าสงสารขนาดไหนว่าน่าสงสารจริงๆนะสําหรับคนที่เหมือนอย่างว่าเห็นอาหารเนี่ยนะตัวเองก็อดอยากหิวโหยมานานเห็นอาหารอันเป็นที่ดืดืม่มรับประทานแล้วปราศจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงกลับความอาหารจานนั้นทิง้งซะ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 ถ้าปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณสูงสุดก็ไปถือเอาคำสอนของเดรัจฐีเมื่อถือเอาคำสอนของเดรัจฐีจะไปไหนอนศนะาสดาไปไหนนั่นแหละคือคติของสาวกถ้าศาสดาดีจริงสาวกก็ดีตามไปถ้าศาสดาไม่ดีจริงอะนนะั้นเาลังคิดเนี่นะบอกว่าเออไม่สงสารตัวเองบ้างหรือที่จะต้องนั่งรถไฟมรณะก็แล้วกันนะจะต้องขึ้นเครื่องบินเที่ยวพิเศษที่มีพวกพลีชีพอยู่บนนั้นด้วยเอาไหมมันน่าสงสารขนาดไหนฮะ